ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำสัตว์ให้ข้ามโลกข้ามสงสารถึงพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกและยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่มีข้อสงสัยเปรียบได้กับเรือใหญ่ที่ขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวง ผู้จะข้ามมหาสมุทรด้วยเรือย่อมถือเรือเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งกว่าเรือในขณะหรือเวลาที่ข้ามน้ำด้วยเรือนั้นย่อมถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยมีผู้ยึดหลักทรหลักวินัยของพระพุทธเจ้าที่รวมแล้วเรียกว่ า, าศาสนาธรรม มาเป็นข้อปฏิบัติฝากจิตใจพร้อมทางการปฏิบัติทุกด้านไว้กับหลักทมหลักวินัยยอมจะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจแก่ตัวเองเป็นลำดับลำดาถ้าไม่ปล่อยใจหรือปล่อยความประพฤต ให้ออกนอกลู่นอกทางห ล, ลักทมหลักวินัยไปเสียเท่านั้นความเดือดร้อนความทุกข์จะไม่มาลังปานหรือมาหลังแ ก, กจิตใจหรือบีบบังคับกิตใจให้เกิดความทุกข์ได้แต่ส่วนมากผู้ปฏิบัติธรรมนักจะ ถือเอาความรู้ความเห็นซึ่งเป็นความเคยชินของกิเลสชุดลาบไปอยู่ตลอดเวลานั้นมาเป็นข้อคิดข้อดาการดำเนินไปเสียโดยลืมหลักธรรมหลักวินในทั้งๆ ท, ท, ที่ตนก็ว่าตนประพฤติตามหลักธรรมหลักวินในนั่นแหละที่ทำให้เสียไปได้เผลอจากหลัก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 และของพระสาวกทั้งหลายให้ปีกเป็นอย่างอื่นไปได้พูดเดิ่มตั้งแต่ที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญเรื่อยไปนี่ละเว้นไปไม่ได้เพราะความเผลของผู้นับถือพุทธศาสนาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเช่นพระธุดงค์กรรมาฐานเรา นักจะห่างเหินจากหลักธรรมที่ถูกต้องแน่นยํานี้ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าได้ปฏิบัติตามความถนัดใจหรือความชอบใจของตัวไปเสียและยังทำให้เป็นความหวังซึ่งเกิดจากการระบายออกหรือการกระทาอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่มองย้อนหลัง ว่าการประพฤติการดำเนินอย่างนั้นถูกหรือผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาอย่างไรหรือไม่เมื่อนานไปเป็นอย่างนั้นหากเราได้ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาด้วยความสนใจจดจ่อ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 เกิดไม่ได้ต้องอาศัยภาคปฏิบัติเป็นสำคัญดังพระพุทธทเจ้าของเราได้ทรงพาดำเนินมาคำว่ า, าศาสนาธรรมที่ออกประกาศสอนโลกเรื่อยมาแต่ครั้งพุทธกาลจนมาทั่งปัจจุบันนี้ได้มาจากการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธทเจ้าเป็นพระองค์แรกเกิด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 คือการปฏิบัติก็ทรงคน้คนคขวายเองการรู้การเห็นในธรรมทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งกลายเป็นเออยยธรรมได้แก่รู้ธรรมทั้งหลายที่ควรจะรู้จะเห็นในวิสัยของมัคคุเจา้าทรงรู้ได้ตลอดทั่วถึงก็เป็นไปด้วยการค้นขวายของพระองค์เองทั้งนั้นคือจากภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นธรรมที่ประกาศสอนโลกด้วยมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระชนอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังเป็นธรรมที่กรกรองมาแล้วด้วยการปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมของพระพเทธเจ้าไม่ใช่ไปเที่ยวหยิบยืมมาจากผู้หนึ่งผู้ใดหรือตำหลับตำลาคำภีใดลทัทธิใดทั้งนั้นแต่เป็นขึ้นเกิด ข, ข, ขึ้นจากภาคปฏิบัติของพระองค์เอง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 ทรงแสดงไว้แล้วนี้เลยข้อสำคัญขอให้เข้มงวดขวดขันในภาคกิตตภาวนา <c oughs> ด้วยสถานที่เหมาะสมคือป่า <c oughs> คือเขาลำนาไพร่นี้เป็นสำคัญมากสำหรับพระปฏิบัติเราถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลดังท่านทรงและประกาศสอนไว้แล้วนี้หากปีจากร่องลอยที่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 เพียงความส่งเสริมความเพียงลมปากความนิยมของจิตแต่ละดวงละดวงที่ชอบอยู่แล้วเสกสรรปัญนรอขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ความจริงที่แปรจักดังจิตที่มีความสงบเย็ยนด้วยภาคปฏิบัติศาสนธรรมตามร่องรอยแห่งาศสาสตะนี่เป็นหลักสําคัญมากคำวมาจิตผ่องใสไม่ได้เหมือนสิ่งอื่นสิ่งใดผ่องใสส่งผลให้เจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจน ในตัวของเรานั่นแหละแม้จะไม่เคยพบเคยเห็นความป่องใสนั่นเลยแต่ขอให้จิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบเพราะการปฏิบัติด้วยดีนั่นเถิะความสงบจะของใจจะเย็นจะเป็นพร้อมกับความเย็นจะเกิดขึ้นความป่องใสก็จะเกิดจะปรากฏขึ้นเป็นเงาตามตัวของผู้ปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญ สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเฉพาะเราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นของเลิ่อเลอตามทางศาสดาด้วยแล้วยิ่งควรยิ่งจะต้องถือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เป็นของสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสิ่งนอกนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นหาความแน่ยิรังถาวรและแน่นอนจากสิ่งใดๆไม่ได้เลย แม้ที่สุดแต่สรนาพางร่างกายของเหล่านี้ยังจะต้องแตกต้องทําลายแม้จะยังไม่แตกก็แสดงความรุ่ร้าวให้ปรากฏอยู่ตลอดไปในอิริบต่างๆจึงต้องได้เปลี่ยนท่านั้นท่านี้พายืนพาเดินพานั่งพานอ น, อนพาขับพาถ่ายพาขบพาฉันล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มันผันแปรอยู่ตลอดเวลา จมต้องได้วิ่งเต้นขวนขวายเพื่อแก้เพื่อไขบันเทากันพอให้เป็นตปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นแหละหากสิ่งเหล่านี้เป็นของแน่นอนเป็นของกีลังถาวรแล้วสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องขวัญขวายจะต้องวิ่งเต้นไปตามธาตุขันนี่เลยนี่เพียงร่างกายของเราก็หาความแน่นอนไม่ได้แล้ว หาความดิีความดีไม่ได้ถ้าไม่พาทําการทํางานที่เป็นส่วนความดีงามทั้งหลายเช่นพาประกอบคุณงามความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่พอที่จะให้ผลเกิดขึ้นจากขันนี้จึงจะเกิดจึงจะมีลําพังขันต้องเป็นสภาพของตัวเองอยู่อย่างนี้ด้วยกันทุกรูปทุกนาม <c oughs> เราอย่าไปตื่นในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของไม่น่าตื่นเลย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 ไม่มีใครสมหวังในโลกนี้ยึงไม่มีศาสนาหรือนักปราชญท่านใดจะมาชมเชยว่าสิ่งวันนี้เลิศเลยยิ่งปวดทรมึ่งควรจะเกิดขึ้นจากขันนี้ประกอบหรือเป็นเครื่องมือบำเพ็ญขึ้นมาในเวลานี้ชีวิตจิตใจของเราก็ยังครองล่างอยู่และเป็นโอกาสอันดีงามอย่างยิ่ง ที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสวากขาตธรรมที่องค์ศาสดาประกาศสอนไว้แล้วอย่างถูกต้องมั่นยำไม่มีที่สงสัยเลยแล้วเราได้ครองผ้ากาสาวัตถ์ซึ่งเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าที่โลกทั้งหลายเคารพกันมากมายเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเมื่อเห็นผ้าเหลืองแล้วทำอะไรไม่ลงแม้จะปิดจะโกรธจะแค้นก็ก็โกรธแค้นไม่ลง ในผ้าเหลืองนั้นเพราะเคยให้ผ้าเหลืองนี้เคยให้ความล่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานเนื่องจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ครองผ้าเหลืองทรงผ้าเหลืองมาทั้งนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจนวนมากเพียงไรก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ครองผ้าก า, กาสาวาพัดมายิงเป็นผ้าที่ยจึงเป็นเครื่องหมายที่ให้ความล่มเย็นแก่ตาแก่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 แล้วมาตกกับเราแล้วมาคุกค่าวกับความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความไม่เอาไหนอย่างนี้สมควรแล้วหรือที่จะเอาภาชนะทองคํามาบรรจุมูดคูดเต็มไปหมดด้วยมูดด้วยคูดอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะผ้ากาสาพัดนั่นถ้าเทียบก็เหมือนทองคําเราคลองอยู่นั่นก็เหมือนกับเป็นวัตถุอันหนึ่งที่อยู่ในภาชนะทองคํานั้นยิงไม่ ควรจึงควรมีฮิริโอตตปะต่อภากาสาวพัทที่ตนน่งครองอยู่เวลานี้ว่าภากาสาวพัทนี้ไม่ไม่อยู่กับคนที่เกียดชิกค้านคนพ่อแท้อ่อนแอคนเห็นโลกว่าดีกว่าธรรมต้องเป็นผู้เห็นธรรมว่าว่าดีเลิศกว่าสิ่งใดในโลกตามหลักความจริงนี้เท่านั้นพระพุทธเ จ, เจ้าก็ทรงเลิศ ครองผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดพระสาวก็เลิอดด้วยด้วยครองผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดนี้ด้วยเมื่อผ้ากาสวพัดนี้ออกมาจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดผู้มีความขยันหมั่นเพียรผู้มีความอดความทนผู้มีความไตร่ตรองทุกแง่ทุกมุมที่ความเคลื่อนไหวของใจแสดงออกแล้วเวลามาตกอยู่กับเรามันทำไมถึงเป็นผ้ากาสาวพัด ที่มาครองล่างแห่งบุคคลผู้ไม่เป็นภาสไม่สมควรอย่างยิ่งขอให้ทุกทุกท่านนำไปพินิษพิจารณาเหนวการดาเนินตามหลักศาสนาธรรมที่ครูบาอาจารย์สอนไ ว, กว้ก็ดีตามตำหลับตำลาที่ท่านจดจารึกไ ว, กว้ก็ดีไม่มีสิ่งใดที่จะให้เกิดความสงสัยว่าไม่เป็นจริงตามนั้นพูดถึงศีลก็ท่านผู้ทรงศีลแล้ว มาสั่งสอนโลกคือพรปปุถเจ้าพูดถึงธรรมก็ผู้ทรงธรรมแล้วทุกประเภทจนกระทั่งถึงนิมุติธรรมก็คือองค์ศาสดานำธรรมมาสอนโลกพูดถึงส ม, มาธิพูดถึงปัญญาก็ท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งสมาธิซึ่งปัญญาเต็มพระไทยัยยิ่งนำมาสั่งสอนโลกยิงไม่มีอะไรที่ว่างเปล่าจากความจริงที่ประกาศสอนไว้ ทรงสอนไว้ตามหลักความจริงทุกแง่ทุกมุมทรงตรัสในเรื่องใดเรื่องนั้นเป็นของีจริงและทรงรู้ทรงเห็นแล้วถึงนำมาตรัสมาสอนโลกเล่าผู้ปฏิบัติตามท่านเพียงเท่านั้นก็จะถือว่าเป็นความลำบากลาบนให้กิเลสฉุดลากออกไปเป็นอาหารของมันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนวนแล้วแต่เป็นกิริยาแห่งความเป็น อาหารของกิเลสอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราซึ่งเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติที่โลกเขาเคารพเรื่มใสว่าเป็นพระธุโงกรรมาฐานพึงลำลึกตนเสมอในเรื่องเหล่านี้ <c oughs> อย่าลืมการปฏิบัติตนเพื่อความเลืเล่อยสิ่งที่เลื่อเลเลือเรืเมาตลอดคือทำไม่เคยลดหย่อน พรคุณภาพลงไปกับผู้ใดารายในเรื่องใดเลยก็คือธรรมนั่นแหละขอแต่ผู้ปฏิบัติให้ก้าวเข้าไปให้ถึงธรรมแหนงนั้นๆจนกระทั่งถึงเข้าถึงแก่นธรรมเถิดไม่ต้องบอกต้องเสกต้องสันว่าเลืศอราบประเสริฐอย่างใดก็ตามหากจะทราบเต็มหัวใจของผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมประเภทนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงทราบจากผู้ใดไม่มีใครบอก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 เริ่มตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิต ท, ที่คิดที่ปรุงออกมามากจะเป็นเรื่องของกิเลสเสียมากยิ่งกว่าจะเป็นเรื่องของธรรมถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็มีอย่างมากก็ห้าเปอร์เซนต์เก้าสิบห้าเปอร์เซนต์มากจะเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวล น, นี่เราพิจารณาดูสิแล้วเราจะเอาความเลิศเลยจากห้าเปอร์เซนตไปสังหารหรือไปรบรากับกิเลสปราบกิเลสให้สิ้นซากไปได้อย่างไร เิเลตมีกำลังถึง95เปอร์เซ็นเรามีกำลังเกี่ยวกับเรื่องทําเพียง5เปอร์เซ็นนี่ถ้าเทียบถึงการรบกันแพ้อย่างหลุดลุ่ยไม่มีอะไรที่ควรให้อภัยไม่มีอะไรที่ควรวินิจฉัยว่าแพ้หรือชนะที่ใช่เกิดข้อข้องใจประจักษ์ด้วยกันทั้งนั้นว่าแพ้แพ้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราแพ้มาเท่าไหร่ การที่จะตะเกียกตะกายตัวของเราจิตของเราเพื่ออัดเพื่อทำนี้เราตะเกียกตะกายไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะหวังพึ่งอะไรนั่นก็เป็นคนหมดหวังทั้งๆ ท, ท, ที่ตนก็ภูมิใจอยู่ว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพาะรูมิกรรมฐานนี้มันมีตั้งแต่ลมแต่แรง หลังลมลมแรงแรงหาความกินประจักษ์กับใจไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมันก็มีแต่ความฟุ้งซ่านเต็มหัวใจเสียแทนความสงบอันนั้นแล้วจะหาความเย็นมาจากไหนหาความเลิศเลย ม, มาจากไหนหาความภูมิใจตามหลักความจริงที่ว่าสงบสงบนั้นมาจากไหนมันไม่เจอถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาท่านก่แสดงไว้แล้วกี่ประเภทจนกระทั่งเหนือโลกเหนือสงสารเสียหาที่ประมาณไม่ได้ นี่มันการเรื่องของเรามันก็มีแต่ความโง่เง่าเต่าตุต่นไปเสียขี้เกียจคิดขี้เกียจอ่านขี้เกียจพิจารณาทางเรื่องอัดเรื่องทำมไม่เหมือนคิดไปด้วยอำนาจของกิเลสถุดลากไปซึ่งคร่องตัวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนัง่งนอนก็ทุกข์ขณะไม่ไม่มีคําว่าฝืนว่าเครืองไม่มีคำว่าฝื น, ฝนกันและต่อสู้กันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปแทน ปัญญาที่แท้จริงซึ่งพระองค์ท่านทรงสอนไว้นั้นเสียคำว่ามิมุต์ก็มีแต่ความจมของจิตมิมุต์กับความจมมันต่างกันอย่างไรบ้างก็พิจารณาดูสิความจมความติดอยู่ในมดูดในคูดคือขี้โรคขี้ปวดขี้หลงน่กับความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียนั้นมันต่างคนคนละต่างคนกับมันต่างกันคนละโลกนันมีแต่สิ่งที่บรรจุ ด้วยของไม่เป็นท่าเต็มหัวใจอยู่อย่างนี้แล้วเราจะหวังลมหวังแรงไปที่ไหนถ้าไม่พยายามตะเกียกตะกายตนให้สุดสติกําลังความสามารถของเราตามทางจัดสดาที่หลงสอนไว้เท่านั้นไม่ชินชาด ก, กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสเป็นกิเลสมาตลอดกลับตลอดกันแล้วให้ความทุกข์ความลําบากความทรมานแก่จัตุโลกม า, มามากต่อมากนานแต่นานแล้วเหตุใดจะมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นความดบความดี กับหัวใจเราดวงนี้เพียงดวงเดียวโลกถ้าเหล่านั้นได้รับความทุกข์ความทนามานเพราะกิเลสแต่หัวใจของเราได้รับความสุขความสบายเหนือโลกเหนือองศพราะกิเลสเป็นเครื่องชุบเลี้ยงหลือเป็นเป็นเครื่องส่งเสริมมีที่ไหน <c oughs> ก็มีแต่ธรรมเท่านั้นชาติดาองคไดมาตรัสารร ม, มาสอนไว้ก็มีตั้งแต่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมพูดถึงเรื่องความภาคเพียงถ้าสมณะเราไม่ภาคเพียงใครจะเป็นผู้ภาคเพียง ในเพศแห่งสมณานี้เป็นเพศที่รวมอยู่ด้วยความดีทั้งหลายถ้าพูดถึงเรื่องความสงบความอดความทนก็คือเพศสมณะเพศพระของเราในพระทุโธงกรรมฐานนี้ความอดความทนก็รวมอยู่ที่นี่ความอุตสาห์พยายามทุกด้านความพินิจพิจารณาไข้ขวนก็อยู่กับเพศของของพระนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าเพศอืน่นใดแต่เรากลับตรงกันข้ามแล้วเราจะหวังอะไร เพราะทำเหล่านี้เป็นทำเครื่องบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงถ้าไม่มีอันนี้จะ อ, อะไรบุกเบิกจะให้กิเลสมันพบุกเบิกไปนิพสวรรคินิพานนี้มันเคยจมพ่อกิเลสนี้มามากต่อมากแล้วเรายังไม่เข็ดไม่หลากเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่ากิเลสนี้เป็นเครื่องถุดเป็นเครื่องถุดลากเราลงไปไม่ใช่ดึงเราลากเราขึ้นสูม่มรรคผลนิพพานที่ไหนนี่มันน่าคิดอยู่มากนะ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 พ่อวัดปฏิบัติด้วยการสร้างความดีทั้งหลายแล้วจะพ้นจากนรกอเวจีย์จนได้ใครจะเป็นผู้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเกี่ยวกับเรื่องนรกอาวจีทุกหลุมอืมสวรรค์นิพนานไม่มีที่จะเกินความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายแต่ได้เลย mm hmm. เหตุใดเราจึงไม่เชื่อเหตุใดเราจึงนอนใจในสิ่งที่ควรจะละในสิ่งที่ควรจะบําเพ็ญ มันนอนใจทั้งสองอย่างสิ่งที่จะละมันก็นอนใจไม่สนใจจะละหรือละก็สักแต่ว่ากิริยาสิ่งที่บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเช่นบำเพ็ญสติปัญญาอย่างนี้มันก็ทำเสลี่ยงน้อยๆไม่เป็นพอเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรได้ผลจะเป็นขึ้นมาอย่างไรนั้นก็ไม่ได้เรื่องออและอยู่กับความลำบากลำบนทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เห็นความลาบากว่าเป็นสาระอะไรจากทางสติปัญญาบ้างเลย มันใช่ไม่ได้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องให้เห็นตามหลักความจริงสิเขาเดินเดินจงกรมเป็นยังไงมันทุกข์ขนาดไหนให้มันเห็นเรื่องกองทุกข์ที่เกิดจะเกิดจากการเดินจนจะกล้าไม่ออกให้มันเห็นดูสิว่ามันเป็นยังไงให้มันทันกันสิเดินจงกรมมันทุกข์มันลําบากมันทุกข์ลำบากง่ายกำหนดดูทุกตัวมันแสดงขึ้นมามันทุกข์ยังไงมันลําบากยังไงใครจะรู้ตามเห็นตามในสิ่งที่ปรากฏตรงนี้เพราะนี้เป็นสัจธรรมโดยแท้ ถ้าไม่ใช่สติปัญญาจะไม่มีใครตามทราบเมื่อเป็นเฉะนั้นต้องเอาสติปัญญามาใช้ในเวลามันทุกข์มากด้วยการเดินด้วยการนั่งนั่งก็เหมือนกันแล้วไม่ต้องกลัวคำว่าเป็นมาตายไม่มีอะไรละในขณะนั้นไปที่ไปคิดว่ามันเป็นมันตายมีแต่เป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาให้เห็นของจริงแล้วเราจะเห็นของอา จ, จัญณ์อันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในท่ามกลางแห่งความจริงนั่นคืออะไรนาอันนี้ไม่บอกก็รู้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 ที่เป็นของจริงเต็มส่วนแต่และอย่างในอย่างเป็นของจริงเต็มส่วนแล้วจะมีอะไรแสดงออกมาสิ่งที่แสดงมานั้นจะเป็นของเลิอของประเส ร, ริฐหรือเป็นของเลวสามประการใดจะทราบเองในผู้ปฏิบัตินี่เพียงทำหยอกหยอกแจกแจกแล้วก็จะทวงอมักผลนิพพานนักผลนิพพานมันบ้ากรรมาฐานบ้าอย่างนั้นเหตุไม่สมผลก็จะเอาผลมา้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหตุไม่สมผลก็จะ โดดข้ามโลกข้ามสงสารทั้งท่านพิจิเตเต็มหัวใจอยู่ด้วยความขี้เกียจขีคร้านความไม่เอาไหนมันเป็นอะไรอย่างนั้นนักปฏิบัติเราเปจตรนาขุดค้นลงไปสินักปฏิบัติไม่มีความกล้าหาญชันชัยใครจะกล้าหาญชันชัยพระพุทธเจ้าพาให้อ่อนแอทอแท้เป็นนักแพ้สงครามเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเป็นนักต่อสู้ในสงครามถึงขั้นสลบเฉลยผลสุดท้ายได้ชัยชนะอย่างเอกขึ้นมาเป็นศาสตาสอนโลกเห็นหมัดนั่น ท่านทอแท้ที่ตรงไหนท่านอ่อนแอที่ตรงไหนสาวกแต่ละองค์ละองค์ก็เหมือนกันเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งท่านท่านท่านเป็นสังฆังสนางกระฉามีของพวกเราท่านไม่ใช่ผู้อ่อนแอท่านคนนี้เราปฏิบัติอย่างไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้ลาวสัจธรรมก็แบกหางมันอยู่ทุกวันทุกวันนี่ทำไมไม่เอามาคลี่คลายดูให้มันเห็นประจักษ์น่ะเป็นยังไงสัจธรรมศาติดารู้เป็นยังไงพระสาวกท่านรู้สัจธรรมว่าเป็นของจริงอันประเสริฐเป็นยังไง หัวใจมันเมื่อเจอสัจธรรมเมื่อไรมันถึงมันถึงเหลวลงเลวลงมันไม่อยากพินิจพิจารณามันกลัวทุกข์แต่แบกแต่ทุกข์อยู่ตลอดเวลากลัวทุกข์กลัวเฉยเฉยกว่าลมลมแรงแรงกลัวหาเหตุผลไม่ได้แต่สร้างแต่เรื่องความสาเหตุที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเผาลนจิตใจด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นเรื่องของสมุไทยมันถูกต้องที่ไหนมันจนสัจธรรมอะไรอย่างนั้นเฮียพินาสิถ้าลงบนสัจธรรมแล้วมันจะเห็นเป็นจริงตามหลักธรรมชาติด้วยการทุกสิ่งทุกอย่าง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 ทุกอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายที่ใจนี่ใช่ไหมกายใจของไทยใครเป็นผู้รับทราบเรื่องทุกข์เรื่องสมุทยัยถ้าไม่ใช่หัวใจของเราดวงนี้รับทราบจะเป็นใจดวงไหนรับทราบเอาสติปัญญานำมาใช้พินิจพิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทยัยซึ่งเป็นศัลธรรมสองเบื้องต้นนี้สิเป็นยังไงเอาความเพียรหนุนเข้าไปความบกความทนหนุนเข้าไปเพื่อรู้ความจรงิงแย่จะไปหมุนไปอย่างอื่นถ้ากลัวเป็นกลัวตายแล้วเท่านั้นไม่มีการรู้ไม่ต้องมาพูดเรื่องเป็นเรื่องตายให้ หมุนเข้าไปตั้งแต่เรื่องอยากจะทราบความจริงในทุกเป็นยังไงในสมุทัยเป็นยังไงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนเข้าไปมันทุกข์ที่ตรงไหนมันเก็บที่ตรงไหนดูที่ทุกข์ที่เก็บนั้นด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อทราบความจริงนะอยาอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายจะยิ่งเพิ่มความอยากให้หายความอยากนี่แหละเป็นสมุทัยยากประเภทนี้เป็นสมุทัยยากทราบความจริงนี้เป็นมัดเอาพิจารณาลงไปจนกระทั่งถึง ความจริงกจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะศาสนาธรรมเคยเป็นของจริงมามากต่อมากนานแสนนานแล้วทําไมจะไม่จริงถ้าเราเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติจริงๆริแล้วเราจะได้เจออย่างจังๆภายในจิตใจของเราแล้วจะได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบโดยไม่ได้เห็นพระองค์ท่านแหละเพราะองค์ท่านแท้คืออะไรนี่ก็ร่องรอยที่จะกล้าเข้าสู่หาความเป็นองค์ศเพื่อพบองค์ศัสดาได้จะกธาจิตที่บริสุทธิ์ของท่านออกจาก จะจะทำทั้งสีนี่แหละจะไปจากไหนจะจะทําทั้งสีนี้เป็นธรรมชาติที่การกรองกิตให้บริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องสงสัยนับแต่พระพุทธเจ้าองค์พระองค์แรกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามในอนาคตกางข้างหน้าจะนอกเหนือไปจากอริยสัจธรรมอริยรรอริยสัจธรรมทั้งสีนี้เป็นธรรมเครื่องกันกรองไม่ได้เลยพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันแล้วเราจะเป็นคนประเภทไหนถึงไม่ไม่ได้อยู่ในข่ายแห่งธรรมทั้งหลายแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้ เราไปอยู่ในโลกใดแดนใดทิศใ ด, ดสนาธรรมของเราไปอยู่แดนใดทิศใ ด, ดหรือศาสนาธรรมของอริยศาสต ร, ร์ของเราคือทุกสมุทัยเหล่านี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเวลานี้ไม่ได้อยู่ในกายในใจของเราเหรือสติปัญญาไปต้มแกงไว้ที่ไหนเขาหูมต้มแกงม่ให้กินทุกวันนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาเหรือเราไม่ได้คิดได้บ้างเหรอเอาให้กิงจังที่นักปฏิบัติมองดูแล้วมันขวางหูขวางตาอ่อนอ่อนหัวใจไปจันไม่ทราบเป็นยังไง มีแต่ออนแต่แอ่อนมีอยู่มากทลายมามากทลายยิ่งทําให้หนักเข้าไปโดยลำดับทั้งที่มันมีเจตนาที่จะมาทําให้หนักแต่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเยิงกับอัดกับทำเพื่อมรรคนิพพานอยู่ตลอดเวลาทําไมจะไม่พูดบ้างละ่ะพีนาสิไอ้มันเห็นครั่งตัวบ้างสีมันเป็นยังไงการประกอบความภาคเพียนนี่เอาเอาพีนาให้มันเห็นเรื่องของทุกข์ของสมูกไทย มันจะทุกขนาดไหนอ้าตามมันให้มันเห็นจะชัดในเอียบุตรใดก็ตามนี่มาไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆเพราะได้ปฏิบัติมาจากนี้จริงๆแล้วก็รู้จริงๆด้วยนะไม่แช่คุยนะจึงได้กล้าสามารถนํามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังทำพูดไม่ได้มีเหรือทำพระเจ้าเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเพื่อพูดเพื่อประกาศสอนธรรมให้ได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทําไมจะพูดไม่ได้ว่ะ เอาลงปฏิบัติดูสิถึงไม่พูดมันก็มันก็เด่นอยู่ในหัวใจนั่นแหละถ้าลงเป็นของจริงแล้วไม่เป็นอย่างอื่นเอาให้จริงสินี่ก็พูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่คนพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดที่ไหนมีเมื่อไหรม่มีแม้ทําเมตีแม่สายก็ไม่เคยปรากฏระลึกไม่ได้เลยว่าได้พูดเพื่อความโอ้อวดนอกจากพูดด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนที่เห็นว่ามาเกาะมาเกี่ยวมาจากที่ไหนอืจังหวัดใดภาคใดกลัมาเต็มอยู่ที่นี่ทั้งนั้น ก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มสติกําลังความสามารถไม่มีนี่รับอะไรเลยเดีย๋ยวให้พึงทราบว่าความเพียรเท่านั้นที่จะสามารถพังกิเลสลงไดคค้ความอดความทนความอุตสาหพยายามด้วยสติปัญญาเป็นของําคัญนี่ลหลักกิเลสมีเท่าไหร่พังได้โดยไม่ต้องสงสัยขอให้ตั้งออกตั้งใจบวชปฏิบัติเถิดทําไม่เป็นอื่นทําคือทําอยู่โดยตรงกิเลสก็ไม่เป็นอื่นกิเลสคือกิเลสอยู่นั่นแหละ พระพุทธเจ้าแก้มาได้สาวกแก้มาได้เราเป็นลูกศิษย์สถาคดทําไมมันจะแก้มาได้ถ้าจะแก้ถ้าแก้น่ะนอกจากจะนอนให้กิเลสเหยียบย่าทําลายอยู่ทั้งมันทั้งคืนแล้วก็บนหาแต่คะแนนเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นผู้ให้คะแนนตําหนิคะแนพระพุทธเจ้าทํามู้เจ้าทำไมไม่ให้ผลจะให้ผลยังไงก็กิเลสมันเหยียบย่ทายทําลายตลอดเวลามีแต่กิเลสทํางานผลก็คือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความทุกข์ความาทรมานภายในจิตใจที่วันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องกิเลส ทำงานอยู่ในหัวใจทำจะทำไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งเวลาหนึง่งเป็นความทุกข์ความลําบากไปเสียหมดถ้าพอจะก้าวออกสู่งานของธรรมกิเลสท่านหลงทั้งวันทั้งคืนจะเป็นเท่าไรเหมือนคนไม่มีหัวใจทั้งทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าทุกข์แต่สาเหตุมันเป็นมาเพราะอะไรไม่สนใจพิจารณาสิมันถึงไม่รู้เรื่องเหงือนต้นเงื่อนปลายของมันก็เท่ากับว่าไม่รู้เรื่องสัจธรรมนั่นเองตั้งใจปฏิบัติมันจะหมดแล้วนะเวลานี้ พระธุดงกรรมฐ า, านเรานั้นจะมีแต่ชื่อนะความจริงจังกับการปฏิบัติเพื่อเอามรรคผลดังศาสดาสอนไว้จะไม่มีดีไม่นีลบล้างทมที่ท่านสอนไว้ไปอีกนี่ด้วยความรู้ความเห็นความถนัดใจของตัวที่กิเลสมันห่มห่อจนมิดชิดภานจิตใจจนจะแยบออกมาหาอาธธรมไม่เจอเลยนั่นมันก็ยังกล้ามาพูดได้นี่ ด้วยความถนัดใจของตนด้วยความสําคัญของตนว่าถูกยิ่งกว่าธรรมของพระเจ้ามีอยู่เยอะนะระวังนะมันจะมาแต่งคำผี์ขึ้นมาภายในหัวใจของเราเดีย๋ยว่านารกไม่มีนรกไม่มีเทวรัตนไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวโลกพรหมโลกมันมีเทวบุตรเทวดาอินพรหมไม่มีเปิดผีไม่มีมันจะไปแล้วนะตาบอดนี่แหละมันเที่ยวลบเทล้างไปหมดผู้ตาดีที่บอกไว้สอนไม่ทุกสิ่งทุกอย่างใครเป็นคนตาดีใครจะเกินมาพูดแเจ้า เรื่องปัญญาญาณอย่างทราบปรตลอดตัวจถึงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายไม่ลําเอียงสอนไม่โดยถูกต้องแน่นยำไอ้พ้นตะผู้ตาบอดมันจะไปเที่ยวลบล้างไปหมด น, น, นั่นสิและนอกจากจะของลบล้างแล้วยังระบายหรือยังประกาศคนอื่นให้โง่ให้เขาบอกปัญญาขายความเซ่อซ่าขายความเลวทรามตัวเองอีกให้ระบาดจากกระจายเหม็นครุ้งไปหมดในวงศาสนาของพระเจ้าลูกศิษยาคตกันั่นแหละมันเป็นผู้ทำลายศาสดาคําสอนของศาสดาจะเป็นใครไปอืมนรก็ไม่มี สวรรค์ไม่มีเอเทวบุตรเทวดาไม่มีเทวบุตรเทวดาก็เรานี่แหละนั่นดึงเข้ามาแล้วดึงเข้ามาเรามันทําอะไรพอจะเป็นเทพบุตรเทวดาได้มันเหมือนผีอยู่เวลานี้เป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมขุนเจา้าเป็นผู้ทําลายธรรมขุนเจ้าอยู่ด้วยความสาคัญมั่นหมายว่าตนเฉลียวฉลาดอยู่เวลานี้คือใครถ้าไม่ใช่เทวทัตในร่างของเรานั่นหรือผู้ที่จะยังโลกให้เจริญรุ่งเรืองนั่นหรือเป็นผู้ที่จะ เป็นเทบุตรเทวดาอุบายวิธีการอย่างนี้หรืออุบายของเทบุตรเทวดาความรู้อย่างนี้หรือความรู้ของคนที่เป็นเทบุตเทวดานอกจากจะมันสัจตลกทั้งเป็นมี่เท่านั้นให้ระวังนะเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นอั้งกัมเพีขึ้นมาภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติเหล่านี้แหละของชาวพุทธเรานี่แมันมีอยู่มากแล้วเวลานี้อ่านไปมันก็เจอเองอ่ะอืแต่งเอาตามชอบใจเขียนเอาตามชอบใจไม่คํานึงถึงเหตุถึงผลดีชั่วประการใดขอให้ปฏิบัติกะก่อนนะ่ะเรื่องมันอ่ะเอาปฏิบัติ บาปม่มีจริงๆเอาปฏิบัติลงไปให้มันเห็นมันรู้ว่าไม่มีจริงๆให้มันเห็นจะชัดนะนรกมีหรือไม่มีให้ให้รู้ด้วยภาคปฏิบัติอย่ารู้ด้ ว, ดวยคำดนเดาเกาหมาัดหลอกโลกหลอกของสารเขาเฉยๆมันจะประกาศความโง่ขงตนให้ซ้ําลงไปอีกเลวลงไปอีกยิ่งกว่าโลกกว่าสัตว์เรือนฉันเขาไปอีกนะแล้วมัดระวังนะตรงนี้นะเอาาปฏิบัติลงไปให้จริงสิเป็นยังไงศาสดาจาี่สอนโลกลวงจริงๆห่ือลวงโลกออืสังฆังสัณกะฉามีลวงโลกจริงหรือทำมังสัณก า, ามีไม่มีหรือลวงโลกเฉยๆหรือ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 มันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนทุกท่านเห็นนะไม่ตําหนิผู้หนึ่งผู้ใดแล้วดูเราเนี่ยพิจนาเลยเวลามันจะเป็นกับความขี้เกียจขี้ข้นเป็นสวรรค์ทีมานขึ้นมานะเฮทางยังโก้มันไม่ไม ม, มองเห็นนั่งสมาธิภาวนามันก็ไม่มองเห็นว่าเป็นความหยิบความดีอะไรสู้ความขี้เกียจขี้ข้นนอนตามชอบใจไม่ได้นี่เหล่านี้มีแต่มันสร้างขึ้นมาคําภีในหัวใจของพระเทวทัศน์ขึ้นมาในหัวใจเราเนี่ยพากันระมัดระวังนะเวลานี้มันเป็นอยู่แล้วนะหัวใจเรานี่มันมานของเทวทัศน์นะ ไเป็นอะไรไปที่ไหนไปใครจะสอนได้โดยยางถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศัตาดาองเองปฏิบัติลงไปยอมเองเพราะทําทุกแง่ทุกมุมที่ทรงสอนไว้ไม่มีผิดเพี้ยนจากความจริงไปตรงไหนขอปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสอนไว้นั้นเถิดจะเจอสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้ทุกแ ง, ง่ทุกมุมทีเดียวนอกจากความสามารถเราไม่มี เราก็อาจาไม่เห็นไม่รู้ได้เพราะเราไม่ใช่พุทธวิสัยคือวิสัยของศาสดาเหมือนพระองค์เราเป็นวิสัยของคนธรรมดาถ้าเป็นสาว ก, กสาวกวิสัยเป็นวิสัยของผู้ปฏิบัติตามรอยของศาสดาไม่ใช่เป็นผู้เก่งกว่าศาสดาหรือเสมอศาสดาพอที่จะรู้ไปเสียทุกแง่ทุกมุมสิ่งได้ที่เรารู้แล้วเห็นแล้วตามทางศาสดานั่นแหละเป็นสักขีพยานว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็มีอย่างนี้เห็นอย่างนี้ แต่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็ น, เ, นเราเห็นแค่รู้แค่เห็นตามความสัมผัของเรานี่ก็เป็นสักขีพยานยืนยันกันแล้วขอให้ทุกท่าน่าใจประพฤติปฏิบัตินะให้เห็ น, น, นได้ทรงสิมรรคผลนิพพานมีอยู่กับใครเท่านี้มีอยู่กับผู้ปฏิบัติให้มีอยู่ที่อื่นไม่มีพูดโกง่งๆอย่างนี้เลยเราใครจะว่าบ้าก็บ้ า, บาเถอะมีอยู่ในภาคปฏิบัตินี่เท่านั้นพระองค์ทรงสอนว่ายังไงปริญญาศึกษาเราเรียนเขีมนทิศทางเดินมาแล้วปฏิบัติเอาก้าวเดินตามเขีมนทิทางเดินที่ศึกษาเรียนมาแล้วที่ ปฏิเวทคือความรู้แจ้งทางกาผลของจากเกิดจากปฏิบการจากการปฏิบัติจะไปไหนถ้าให้ปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัตินั้นภาษาวกลวนแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติที่เป็นสัน้นรางกระฉามีของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ผู้เรียนไม่เฉยจำไม่เฉยนอนเอกขณเอกอยู่แล้วก็เอ า, เอาสร้างมกโพนิพานขึ้นมาในหัวใจด้วยการหลับประนอนไม่เคยมีในคัมภีร์ไหนหินแทบล้มแทบตายกันทั้งนั้นกว่าท่านจะได้มาปฏิได้มาผลมาเป็นครองหีืเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านเอง นี่ก็ให้พึงตั้งใจไปปฏิบัติอย่างนั้นแต่ด้สมเหตุสมผลดังเราเป็นนักปฏิบัติเรื่องใดอย่ายุง่งโลกนี้เคยมีมานานตาเคยดูมานานมันให้ความมิเสียมิสูจอะไรพอที่จะหลงบ้ากับมันอยู่ตลอดเวลาอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังตาหูจมูกเล่นกายฉีด น, นี่ถ้าไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหนี้มันจะสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันเลิศเลออะไรตารูปเสียงกินรถเครื่องสัมผัสที่เราสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทุกวันด้วยตาหูจมูกเล่นกายนนะี่แหละอะไรมันเลิศมันประเสริฐ พอที่จะเป็นบ่ายตัวแเวลาไม่ล้างจิตใจไวเ้เข้ามาฟูภูมิอัดภูมิทำพาในจิตใจนี้บ้างเลยหยิดมันชิดอะไรมันอยากอะไรความอยากนะั้นมันเป็นผลประโยชน์อะไรบ้างเอามาชั่งเอามาตวงดูสิผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเทียบเคียงเหตุผลหนักเบาได้อย่างชัดเจนจากการปฏิบัติของตนเพียงเรื่องความอยากเดินตามความอยากตายทิ้งกระเป๋านะอืไม่มีวันที่จะได้เจอของจริงแหละของดีแหะ จะมีแต่ลมแต่แรงเล้วแหลกแวกแนวไปงนั้นอ่ะเอาละพอเหนื่อยแล้วหลักเดิมของศาสนาจะค่อยหมดไปหมดไปด้วยการแปลสภาพของชาวพุทธเราแปลไปแปลไปต า, าตามความชอบใจมีมากแต่มากแล้วเวลานี้ยจนจะมองหาของจริงของก่นของศาสนาจะไม่เจอแล้วมันจะมีแต่ ของจอมปลอมเสกสรรขึ้นมา น, ะน่าพิจบทมากอยู่นะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สนใจปฏิบัติแต่จะเอาความเลื่เลอมาพูด่านีเอาอะไรมาพูดมีแต่ลมปากมาเอาเลื่เลอมาที่ไหนลมปากไม่ปฏิบัติเพราะพรุทธเจ้าท่านท่านปฏิบัตินี่ท่านรู้โดยการปฏิบัติเห็นโดยการปฏิบัติอืนี่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สนใจ มีแต่คอยจะไปให้คะแนนตัดคะแนนของผู้ปฏิบัติมันอะไรกัน ด, ด, ด้นเดาเฉยคิดเอาฉยใครเขาาคิดได้หัวใจอย่างนั้นทำไมคิ ด, ม ไ, ดไม่ได้เน่ยเหมนไม่อายมั่งเหร อ, อามาอวดว่าอวดความฉลาดนอว่อวดความโง่ที่อย่างที่ว่าสวรรค์ไม่มีาะอย่างอย่างที่ว่าเทวดามีที่ไหนก็พวกเราเาท่านๆนี่แล้วเทวดาเ น, นี่ยมีทีนน่ มันไม่อายมันหรือหน้าด้านขนาดนั้นมีผมได้อ่านอยู่นี่ก็ปราดดาวเทียมหลืงเขียนเอาไว้้ออ่านแล้วมันอดสลดสองเลนไม่ได้นะบุทธเจ้าท่านทำหน้าที่เป็นศาสตราสอนโลกเน้เทวดาท่านสอนนี่ไม่สอนดูที่ศรัทธาเทมนูสานร เป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะแล้วภูธกิจห้าคืออะไรล่ะอัตราเตเทียวกันหากังตอนเที่ยงคืนเทศนาจังสอนและแก้ปัญหาพวกเทพทั้งหลายชั้นต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับผมกำว่าเทพนี่รวมทั้งนถ้ามาพรมลงมาจากเทพนี้ทุกขั้นทุกภูมิภูมิไหนก็เรียกเทพถ้าเป็นภูมิของเทพแล้วลูกข้เทพก็เรียกเทพ จนมาทั่งถึงสวรรค์ชั้นถมท่านเดียดรวมมาเทพนั้นนั่นแหละท่านเทศนาสั่งสอนได้แก้ปัญหาของเทวดาทั้งหลายฟังพระพุทธเจา้าถือเข้าถ้าหาว่าหลักในโปรแกรมก็คือในโปรแกรมของของพระรพุทธเจ้าพระพุทธกิจท่านว่าไงกับพาราของพระพุทธเจา้านั่นเองนั่น ไปลบล่างอะไตาไม่ดีจะจะอยากเห็นดาวอยู่ฝากฟ้านเอาดาวฝากฟ้ามาพูดทั้งๆั้งติดตาบอดนั่นหน้าทุเล็ดนี่นนะไม่เห็นก็ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เห็นว่าไม่มีม่มียิงท่จสิ่งที่เห็นเท่านั้นนึงจะว่ามีคนตาบอดมันเห็นอะไรปฏิเสธอะไรก็มันมีความหมายอะไรกับคนตาบอดเนะี่ยฟังสิ ลูกรูสีแสงต่างก็ความหมายออกจากคนตาดีต่าง عد. คนตาบอดมีความหมายต้องประกาศความโง่ของเนส่วนมากคนตาบอดมั ก, กคุยโม้โออวดตื่นี่เหมือนกันคนโง่มักจะโออวดมันจะคุยโม่แล้วฉลาดอย่างจอมป่าตอนนี้เอาอะไรมามาอยากความอยากเป็นกิเลสทั้งกระลุ้นหมดไปแล้วเอาอะไรมาอยากเนยทำมาที่ เราได้ยินได้ฟังมานี่เป็นธรรมะที่ตายใจได้แล้วไม่สงสัยผมเพราะ่อแม่ครูอาจารย์ท่านผ่าดำเนินมาอย่างไงเราไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรสงสัยเลยเป็นที่ตายใจขอให้ดําเนินบําเพ็ญให้เป็นที่พอใ จ, จของเจ้าของเถอะอาสลับเป็นสลับตายกับการปฏิบัติที่ท่านสอนไว้นี้เถอะจะไม่เป็นอย่างอืงอ่นเลยวันนี้รู้สึกเหอยพมันรับภาราเรื่อยอย่างวันนี้ก็มีแขกมาเรอย เนี่ยแต่คำค้ำยังมีมันก็เหนื่อยเนี่นี่ยเนาประชุมงานบงก่อนประชุมมัน่อยนี่พวกพระพวงเนแล้วขยับขยายขยายขยายกันนั้นี่นนกกนนนมันพลิกพลิกกือนั่นเนี่ยมันจะล้นวัดแรือนะบอกกันแล้วนั่งหนารับไม่ได้กมบอกรับไม่ได้แล้วมันมากเกินกว่าเห็นแล้วเนี่ย ลาไปกับคนบ้านคนเมืองเขนะหนึ่งรถเดินลายุ่งกับคนนั้นไปยุ่งกับคนนี้เนี่ยก็มาฐานตัวยุ่งอันนี้อันหนึ่งนะเข้ามานี่ก็มายุ่งอันหนึ่งอยู่ก็ยุ่งแบบหนึ่งไปก็ยุ่งแบบหนึ่งสร้างแต่ความยุ่งยากยุ่งวายนี่อันหนึ่งกรรมฐานไม่รู้ตัวเลยไม่รู้สึกตัวว่าได้ยุ่งนะงานตงลบปุ๋ขาดนี่ก่อนอยาพระเนรมามาก อนหนึ่งที่ผู้ที่ใจเป็นธรรมจริงๆก็มีเจาะแสดงหาอยากได้ยินได้ฟังทำจากครูจากอาจารย์เกามีอส่ว น, นประชาชนก็รู้แล้วว่าคงมาจากแถวนี้แหละคงไม่มาจากไกลล่ะถ้าไม่เจนทางวัดไม่เจนจะมาไปรบกวนเขานะ่ะอย่างนี้น ม, าานมันกรรมฐานเรามักจะรบกวนแล้วนะมันควรมาแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามักจะรบกวนะมันกวรมาแล้ว พี่อาก็เขียนจดหมายไปกวนเขาไปกวนเขามีงานนั่นครูบาอาจารย์มีงานนั่ น, าานมีงานนี้นงนนองค์ท่านเองถ้าไม่มีอะไรเนี่ยพวกตัวสําคัญนั่นแหละอยู่ในวัดนั่นมันตัวเก่งๆนี่นมัน้นรู่เรื่องขึ้นมาแล้วทีนี้เมวลาจะรับจดหมายแล้วจะทาําไงทําใจจิดใจจางเฉยเมยได้ยังไงมนุษย์เราเราต้องมานะทำไงมันเป็นนะตอเนี้ มาตฐานเรามีงานนั่นงานนี้ยุ่งตลอดมันอะไรอยู่คนเดียวอยู่สบายๆในวัดภาวนาไม่ได้มันต้องหายุ่งเื่อนยุ่งมันไม่ใช่ทางทางความยุง่งเหยิงวุ่นวายกังวลทางอย่างนั้นทางกิเลสนั่นเองจะเป็นไงผู้ปฏิบัติจะไม่ยุ่งเด็ดถึงถึงยนในโยบุตรทั้งสี่มีแต่การสังหารดุกฟัดกับกิเลสเท่านั้นน่ะนั่นละ่นนละ ทางเป็นอย่างนั้นนะทางพ้นถูกกรรมฐานยุ่งกับญาติกับโยนกับคนนั่นคนนี้ไม่ใช่กรรมฐานเพื่อมากเพื่อผลมันกรรมฐานหาจินกรรมฐานแบบนี้อาจริงๆก็ทางดำเนินก็มีอยู่แล้วตาละตามตำละตำลาก็เห็นกันอยู่นะทัาหายุ่งใคร ทังแต่ท่านแน่วิไลเวลาไปหากิ่งก้ามปันฐานอย่าไปอยู่หาอยู่ในที่จอแจที่ทุ่มุมชนที่ท่าน้าทางคนขึ้นลงเนี่ยแม้ี่สุดตั้งแต่ต้นไม้ที่เป็นที่เกาะที่กินออดอผลเป็นที่เกาะที่กินของพวกนกพวกกาก็อย่าไปอยู่นั่นฟังที่ท่านว่าว่าไหนที่มีการก่อสร้างก็อย่าไปหาอยู่ในที่สงบสงบ ท่านยุ่งกับใครน่ะังนนี่แหละในตำหักตำลามีอย่างนี้ยดี๋ยวใครเอามาอุตรีบะ่ะก็เห็นแล้วจึงมาพูดเดี๋ยว อ, อะไรมาอุตรีเรื่องของของท่าแล้วในตำหนักตำามไม่แต่เรื่องหาความสงบสงัดฆ่ากิเลสตั้งหารกิเลสพอเห็นว่ากิเลสเป็นภยัยจริงตามหลักของ ศ, ศาสนาท่านเห็นจริงๆริงถามันมาสัแต่ว่าพูดเหมือนเราสัจจะว่าฟังนี่สัจจะว่าฟังมันก็ไม่ถึงใจเสย ผู้สอนสอนด้วยความถึงใจพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษเห็นจริงกินเห็นคุณเห็นจริงจริงน่ะเห็นประจักษ์พระไทยจริงๆถึงใจผู้นิ่งง่ายน่ณตัดแดนนรกขึ้นมาสวรางชั้นพรมจนกระทั่งถึงนิพพานทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระไทยเห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันอีกเพราะงั้นการสอนโลกยึงสอนด้วยความเมตตาสงสารอยากให้หลุดให้พ้นอย่างแท้จริงนี่นะเราได้ยินได้ฟังมันไม่ได้สนใจอะไร หากเป็นผู้สนใจใค่อยาค่อยากจะพ้นเค็มตามทิศศาสดาสอนมันจะไม่มันจะไม่พ้นกําลังใจอะไรจะเลือสู้ได้หรอในโลกนี้อะไรจะสู้กําลังใจได้กี่เรศมันมันหนายิ่งกว่าสามโลกนี้ก็เถอะพังหมดน่นถ้ากําลังใจได้พุ่งออกมากําลังใจกําลังทําผสมกันเข้าไปเป็นอันเดียวกันแล้วไปไหนวะกี่เรศไม่พังมีเหรือ ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นท่านเห็นจริงจิงไม่ได้มานําแบบมาสอนแบบเป่าเปาเนี่ยก็สอนด้วยตาทัากสุญา น, นั่นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาอุตตรีอะไรอย่างที่เขาว่าไอ้เขียนเสือให้วัวกลัวมันบ้ามันภูมิใจได้หน่ะแต่ใ น, น, น, นโลกนี่ไม่มีเขียนเสือให้วัวกลัวไปงั้นหรอเนี่ย ประกาศความโง่ของยิ่งที่สุดเลยท่นนะืมตาบอดแล้วมันยังมาอวดคุยโมอโมอ้โอวดอีกบอดก็ยอมรับว่าบอดงโง่ก็ยอมรับว่าโง่แล้วก็หน้าให้อภัยหน้าสงสารแล้วโง่แล้วอวดฉลาดนี่สิเอาอะไรมาน้าให้อภัยหน้าสงน่าสงสารมันเลยหมันไส้ไปอีกมันอะไรก็ไม่รู้ทุเรศคนดียังมีอยู่คนผู้ฉลาดแหลมคมยังมีอยู่ในโลกไม่ได้ขาดสูญไปจากโลกนี่นะเหตุใดจะเมา อวดตลาดเพลินท่านออกตลาดเอาความง่มาอวดตลาดเดินนี้ความง่วมันน้อยเมื่อไหร่มันเต็มโลกอยู่แล้วนี่เอาออกมาอวดทำไมเอาของดีๆก่อนนั้นทีมาอวดเอาเอานี่ออกเลิกเหนื่อยแล้วนีจะ